Book 2ูห5าสิบ a ป a อวัยวะชัต์ทตัวผมวาดรูปผู้ชายน a กรัศม e มัมุเเริ่มจากศีรษะก่อนในดีวห์ห ผู้ชายสวมหมวกมองไม่เห็นเส้นผมมองไม่เห็นหูด้วยมองไม่เห็นหลังด้วย ผมกำลังวาดตาและปาก n a เครสลี ม, ม, ม อ, อูชาผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะเต้นอมอัผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวเ e n m มูชมเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา v รูโค่ดร Ж เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น ima, no. แขนแข็งแรงขาก็แข็งแรงด้วย ผู้ชายคนนี้ทามาจากหิมะเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมแต่เขาก็ไม่หนาวสั่นเขาคือตุ๊กตาหิมะ